บุ๊กทูสามสิบสองมุกไพเรนดูที่ร้านอาหารสี่รีสตอรี่นวดดานาลกุขอมันฝรั่งทอดกับซอสมะเขือเทศหนึ่งที่นากุชิปส์ฟรันช์ฟรายส์เคชัพโตคาวาลี และมายองเนสสองที่อะไรกัเรนดูมายองเนสกาวาลีและไส้กรอกกับมัสตาร์ดสามที่อิงก่ะมูดซนซจิละมัสโตร์ต์กาวาลีคุณมีผักอะไรบ้างคะมีวัดดาเยะกัวร์ไกโลไนคุณมีถั่วไหมคะ มีวัดดาชิกุลุบุนัยะคุณมีดอกกะหล่ำไหมคะมีวัดดาคาลิฟลาวาลุนดาดิฉันชอบทานขา้าวโพดหวานนากัมกเจนะกังกุรตินาลันเตอิสตมดิฉันชอบทานแตงกวานากัโดสกายตินะดวันเตอิสต์มดิฉันชอบทานมะเขือเทศ น่ากูแตมตคุณชอบทานต้นหอมด้วยใช่ไหมคะมีกูลิกก็คุติด้ตคุณชอบทานกระหล่ำปลีดองด้วยใช่ไหมคะมคีกูอว์รดกูตินาได้มิสตคุณชอบทานถั่วลินเส้นด้วยใช่ไหมคะมีูกูด้ตต คุณชอบทานแครอทด้วยใช่ไหมคะมีกุแกร์ลิกูด้ตีนเดมิสใช่ไหมคุณชอบทานบรอกโคลีด้วยใช่ไหมคะมีกุบรอกโคลีกูด้ตีนเดมิสช่ไหมคุณชอบทานพริกหวานด้วยใช่ไหมคะมีกูแกลซิคมกูด้ตีนเดมิสช่ไหมดิฉันไม่ชอบหัวหอมใหญ่ น้ากูบุลลีปลาเอลันเตอีสเทนเลด็ดูฉันไม่ชอบมะกอกน้ากูวอลลี่บันเตอีสเทนเล็ฉันไม่ชอบเห็ดน้ากูมัชชูร์มเลนเตอีสเทนเ